พระธรรมเทศนาจาโดวเกลื่องนางนวนคำผูกสิบเอ็ดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปลียนทาหกปรย์กทธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงายนะโมตัสภาะกะวะโตอะราหะโตสมมาสัมพุทธ h า อุปราชาราชทีตุญาสทิงมหาวเนวสิทปตติสาธุดุราสปูริตาตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟยังบุญ อันจักนุนสองอยู่ฮหือได้อยู่เจอยบ้านจริงลากานหน่อยใหญ่มีพร้อมไขนานาปากันมาแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจาติดต่อตามบาทคอบาลีว่าอุปาราชาราชาที่ตุญาดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเต้อ อุปราชาอันว่าอุปราชาตนอง์อาจคือเจ้าน้อยนาตสวราดันดงนาป่าไหมป่านางนอไทยนวนคำกลางดงดําป่าเศร้าอยู่กับเจ้าระสีต่างยินดีจื่อจอยย้อนยอดซอยสองขามีบุญนามากกว้าง ได้ก่อสร้างเตรียมตั้นกันหันกันจัดนี้จริงมีใจกี่ปีญาสิเนหาจึนสู้ต่างหากหูใจกันจริงด้าขันดอกไม้ไปขไปับไวราศีไขาตามบีเหล่าเก่าเฮตานเจ้าทรงธรรม ขออโหสิกรรมภัยโผดงดเว้นโตตั้งหลายขอยากายเป็นบาปอันกายาบด้วยไปเจ้าจีไพรตนวิเศษจบแจ้งเปดทดรงญานก็จะหวานต้านต่อว่าหือสองนอบุญมี ได้อยู่ดีมีโจกปนจากโศกเป็นไผ่ซัดถูกไก่กาขาดเปียที่ขาดกาญจงาุงตีขาเตียงเต่าได้เป็นเจ้าภาพเวียงใจ อญาไก่ไก่ต่างดาวร้อยเอต้าวคาบสมปานปันนาการมาเต้าไหลหลังเข้ามาจูพับจุมปูโลกใต้ไผอยาได้เตรียมตันจีดองตันกาวเล้วซ้ำกาวซึ่งดังแกอนวนคำว่าดุราบุญนำเฮยนอนเนานักผาดเจ้าสอนมา ห่าคือพาริญาจูฟูกำ ม, มือจูฟังเสียงจ่ามันยกสองขาเอามือควักมาหาหัวเน่าหักจูเก่ากว่าผัวตนมันเก็บของคนออกบ้านเฮมันตาลกำหวานเฮได้หารเหลือมูเฮจมปู่สามคนยาเววนขี่คาน เฮือจมล้านสามหัวหฮือมีตัวในต้องหฮือมันยองมานยาเฮือตัดมาลาตั้งหาหฮือห น, นุ่งผ้าพื้นเดียวจมหนิงเตียวหลอกใ้กันปฏิบัติใดตามกองบ่เมื่อมองมอนเร้าจู่คำเจ้าใจบ้านสุขสำรานบอกขาด กันกากาจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดตีพาเสดคงสวรรค์ขอสีสุพันณนอไทยจำจื่อไว้คนิ่งในพ่อจะใขรหื้อหูกำมือจูฟังเสียงจามีอัถาเตี่ยมแทงหื้อสว่างแจ้งหันไส ว่าจุมมยิงในโลกกตายแม่นอยากไรเครื่องขีหรือเป็นดีมั่งเต้าอย่าละรีษเก่าเดิมมากะนาห น, น้าหน่อยใหญ่เอาใจใส่ปัดปัวตั้งเครื่องคัวของใจเก็บเมียดไว้ดูดีมันคัดสีสักล่างอย่าลาคว่างเปปัง <c oughs> ขี้ไข่ทังถวยจ้อนขี้มินคอนโอห้ยจุงอดใจคัดออกคืองามนอกในใสคนไ ก, ไก่ได้หูย่อมเก่าอูสักเสินจักจำเริญมังเต้าบ่าบอมนเสาเครื่องกา มันยกสองขาเอามือควักมหาหวัวเนาเป็นกำเก่าสอนมาฮือภริญาจูผู้ใดสอดหู ก, กันตัวคือการต่อขั้วหกไฟา ย, ย่าได้นายตุมบ้างหากเป็นตังเก่าเกือจุงไฟเอื้อยินดีจักมีมังเตา้า ฮักจู่เก่ากว่าผัวตนอนุสนติดต่อเฮกึดพอน่ำตังจุมงยิงนางใหญ่น้อยมีกู่ห้อยสามีกาจุงกึศหาพ่อแม่อันเลี้ยงแต่เดิมอ่อนยามจากนอนกึดไข่ย่อมือไว้ถึงกุนเขานำหนุนตอบตา ตั้งแผ่นผ้าขั่วใบยืนย่อไปพายแพ้ฮ่อป่อแม่สองขาหาักเป็นบุญนาหลายหลากปา้นลำบากตาลนเ <c oughs> ฮ่อเก็บของคนออกนอกบ้านกำเก่าตานสอนมาฮ่อคุณนาแผ่กว้างหุมก่อสร้างตั้งดีเข้าของมีบิดแบ่งแล้วตกแต่งย่อตาน แกสมัอาจารย์เจ้าเจ้าและคนแก่เท่าอนาถ า, าตามหิมาหาไดบ่อท่านี้ไว้เหลือลรายกันตัวตายกาการชีวิตขาดเสียตนบุญกุศลจักจองขึ้นสู่ห้องโคงสวรรค์จุงหูปันจกใจ ยาหูนายต่างบุญบุญจักนุนจ่วยกำเฮือเสียงซ้ำเครื่องขีสัตาดีจู่ดานเฮือมันตาลคำหวานคำโบราณก่อนกีตานได้จี้ซอนมาจุงไขจาก่าาท้อยคำอ่อนอ้อยวนใหญ่ อย่าจะใครกำยาบอย่าทามาลาปันแตงอย่าจะแข่งแจงดาอย่าติว่าคนใดใครกำไปอ่อนอ้อยฟังจื่นจอยวอนหู ั้งมาหมูเป็ดไก่ยาดาไม่นำตังจุ่มยิงนางน้อยใหญ่กันปฏิบัติใดตามกองบ่อขี่มองมนเร้าย่อมบังเต่าเจบ้าน ฮอได้หานเรือโม่กำเจนปัวซอนปันยานอนวันขี้ข้านอย่าได้ยานกว่าการอ้นใจหันก่อสร้างฮอให้กว้างสุดตาฮอตรงหน้ากว้างใหญ่เอาใจใส่ก้าไายขึ้นคงควายคำเจ้าฮอมังเต้าเงินคำเฮอควายนำเต็มคอกฮืองัวออกมีมา กิจนานาหน่อยใหญ่อย่าขวังไว้ลันีเฮเมียนดีกูเชื่ออย่าเฮเรือนันไปจักสมใจไฟห้อยบ่อตำก้อยตก่าน <c oughs> กำโบราณกวนหูวะเฮจมปูวสามคนอย่าเววนขี่ข้านตั้นก่าวต้านสอนไขวะเฮมีใจผ่องแผว กึดรอดแก้วตั้งสามปฏิบัติตามคำเจ้านกกมเก่าปู่จ้ายาละสาพระมาตยาเวนขาดยังยำตัวตามทาใ จ, าจาเตียนยอมได้เจยบ้านสุขสำรานจุดานหื้อจมล้านสามหัวคือมันปัดปัวกวาดเพอย่าลีเลียวนีกาน ตั้งดอกจันในห้องตามหน้าป่องผาตูมันเจ็ดถูยาขาดือสะอาดวันไว้ตั้งขั่วใบาถวยจอนอยาฮือคอนทมนามันอดสาสักล้างอย่าฮือข้างคืนวันของจูอันเครื่องใจอย่าฮือได้มองมัว เฮือมีตัวในต้องตันที่จ่องนำตั้งหวังหญิงนางน้อยใหญ่เอาใจใส่แสวงหาเอาวิชาความหูเฮือมีอยู่ในตนอย่าเป็นคนปางเป่ากินข้าวเน่าเสียได้มันคงควายจ้าใจมันเข้าใกล้ปันดิตาคอต้านจากเกาจี้ <c oughs> เออแจ้งทีกองทมอันจากนำมาส่งยูเอได้อยู่สัดสาดีตุกร้อนนีห่างห้องเอมันยองมานยาเป็นอุ ป, ปมาสอนบอกคือแจ้งนอกขันในว่า้มีใจอ่อนก้อมเขารบน้อมยำแยง ยังผัวแพงป่อแม่ตังเท่าแก่ตาน้อยมีเงินคำไหลมาจ้างอย่าได้อ้างยอตัวอย่า m o u มัวยดใหญ่หัวขับไว้วันตาฮืดัดมาลาตั้งหาตันบอกว่าสอนไข ือมีสินใสฮ้าเส้นอย่าได้เวินวางตั้มเป็นดอกคำกามากพัดดับแล้วหากปลางามมีคุณหลายลำบ่น้นย <c oughs> ดีกว่าซอยสังวาสินเจียงคานฮ้าเส้นปลาหือเว้นอาบายซอยคำลายหน่อยใหญ่มุกดาใสดูดี ซอยมือมีมากลนบ่อป่าปนอาบายน้ำตนตายตอดไว้บ่อหอนได้ตวยไปจนจังไรใจหยาบย่อมรบภาบเอาหนีส่วนสินใส่ดีสะอาดยามก า, กาดมาราย่อมจากป้าส่งอยู่ขึ้นไปสู่ไปบนบอ่อเฮตกจนตำจ้า เืห้หนุงพาผืนเดียวกำสอนเดียวดันสอดเฮ้ยกึศรอดหันลหลตั้นหักหมยห้ยฮ้ว่าจุงเืินสู้ยินดีกับสามีรวมค้างอย่าไฟอ้างใจได้จุงมีใจหักคอแต่เจ้าหยอดสามิกา อาปัสาตวีเศสอนนางน้อยเนรบุญนำคือนางนวนคำนอไทยฮือหูไข่กองต่าง <c oughs> แล้วก็ปงวางนางนาฏแก่อุป ร, ราชบุญมีคร่คำดีปันโจกตามหนโลกโบราณกันเจ้าทรงญานกก่าวแล้ว สองนอแกอบุนาเกาะปากันาขึ้นสู่ยังที่อยู่แดนตนก็มีหัน่นและนาตาต่อปารังทัดแต่นั่นไปไปนาสองนอลาบุนนากรุมร่าอยู่เฝ้าปฏิบัติเจ้าฤาษีดังเคยมีแต่ก่อน บ่เอื้อผ่อนสักอันคือหาหัวมันลูกไม่ตักดำใจและกินเป็นอาจินคำเจ้าเอื้อตานเจ้าเจยบ้านบ่ปอนานแต่ใส่เจ้าดอไทยตั้งสองก็มีใจปองไข่กว่าปิ๊งอวยนาเมือเมือง แห่งนองบุญเรืองดอ น, า, นากอลาเจ้าราสีแล้วป้ากันนี้คืนสู่ยังตีอยู่เวียงใจก็มีหันแลยนะ <c oughs> ตามทางประกาศเสนนต่อศรัทธาศรัทธาอันว่าสัมปัญญ์ยอดซอยหันบาทอยบาลี มุดหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนะนาวะเตจานามหาวเนวาสิตาดังนี้เป็นตน้นเีกเวดุราพิโกตั้งลายส่วนสองบุญภายนอเนาคือว่าเจ้าตาสะวารากับสีโสภางามอาต คือนางน้อยนาดนวลคําอยู่ดงดําป่าเสากับตันเจ้าราศีบ่อถึงปีค้อไผ่ก่อขึ้นไฟคะนิงหายังปาราแห่งห้องคงเขตต้องเบื้องตนเป็นกังวลไม่มาดบ่อขาดบางเบาสองจิ้งเหล่ายดใหญ่ก่อไปไว้ตาป่าซา ไรขี้ยาเก่าเหือตานหัวตามีแล้วออลานีละผากออกไปจากดงไพยเจ้าสินไสตนจบจอดจริงจักตอดเล็งญาน <c oughs> พออนาคตาการปลายนาหันนอลาสองสลีจากได้เป็นดีนยอดยาวจริงต้านเก่ากําไป แม่นใส่ใจลูกเต่าจักปอกเขาปุรีปอยินดีปองขาดอนุญาตวางไปจุงตามใจไปอ่างปอบอจจางเชขากันตาปัสสาก่าวแล้วสองนอแก้วบุญนำกอหน่อมือต่ำต่างเกาไว้ส่งเจ้าราศี แล้วลานีขึ้นสู่ยังตีอยู่สารถึงวันมาผูกเจ้าสองนอเนารอมแป้งก็แต่งแป้งขันดอกใดแล้วออกไปปันเก็นยังขันดอกไม้แก่เจ้าตีไวราศีขอเจียงจีภายโผดงดเวนโตดนาหน้าว่าคาเดตาภาษาป่อเจ้า แม่นขาลูกเตาตั้งสองได้ผิดกองเก่าก่อนบอกแม่นบอนตามทาขออย่าเป็นกมอย่าปลายติดตอบใส่ตัวไปขอหมดใ่เป่งปอยฮือข้าน่อยไปดีขอเจียงจีป่อเจ้าอย่ามนเศร้ามองผ่านอยู่สำรานย่าขาด จุมภาญญาตนานาย่าได้มาถูกต้องในแห่งห้องอินทิสัตดงรีถอยไรขออย่าไดมาเบียนสุงสะเทียนคาเจ้าอยู่เตียงเตาตีขาแดดเตอ นั้นเจ้าราสีตนวิเศษจบแจงเป็ดธารุงทำก่อไข่คำต้านต่อสองนอบุญนาว่าคัมปาลาโน่ใหญ่บ่อหอนได้หันมีแม่นสองสลีลูกเต่าจักปอกเข้าเวียงใจเฮือสมใจไฟอ้าง ได้หนังจ้างทารงเมืองเตจะเรื่องยศใหญ่คนหลือไขจุมผูจุมสัตถูใจห ย, ยาบหยามาผาบราวีจุงมไปดีมีโจกหายตุกศอกมันภัยเจ้าสินใสยอดซอยใจไฟห้อ ย, ยคุณนาะจิงยกมือควา้าสุดศอกแล้วที่บอกตั้งไป ว่ากันสายใจตั้งกูจักปอกสู่เมืองขวางจุงไปตั้งสื่อนาอดดันป่าไพรสนย่าเตียววนบกใหญ่ไปตั้งสายหรือขวาเปนมีดอยผาสูงใหญ่จุงลัดขึ้นไตไปบนดันไพรสนป่าไม่ไปจะใจตั้งวันกอจักปันไปรอด เอิงติจอดเพียงใจแห่งเต้าจอมไต้วีเตหราชบอกกาดดีลีกันเจ้าระสีบุญใหญ่เก่าวเสียงไว่สุดปลายสองหญิงใจปี่น้องตุ้งศกต้องทมทองน้ำตาน่องย้อยหยาดก่อภิวาตวันตายังตาปัสาผู้เทา คบทวนเล่าสามคนจริงเอาตนลาภาคออกไปจากกูดีอดมองขีบบ่อใดเนี่ยร้องให้ก็เนี่ยนีไปลัดดงไพยป่าเศร้าตามตานเจ้าราศีใดภานี้ที่บอกบอกแวะออกไปใดก็มีฮันแลนะ <c oughs> อันว่าหน่อปุทธาตนลำเลิดป่านางแก้วผาเสดนวนคำลัดดง ด, งดำป่าไม้ขึ้นได้ใหญ่ผาจันบุญเขือวันขุมยาเอาสือนาเป็นไปคำตีในนอนหันแจงแลวดันดงตันหลขึ้นวันดวงแลว้ว จิงรอดเมืองแก้ววิเตหานากอนสรีบังอ้นยอดซอยใจจื่นจ้อยนานนำป้านอคุณทำดวนเฮาเข้าสู่ดาวไปในแลออกกาไกยไว้วาดขึ้นภาษาหอคำย่อมือตั้มต่างเกาไวพระเจ้าราชา ตั้งบานดาต้นแม่น้ำตาแพร่ไหลนัวอดน้ำตาบอดด่อใดลวดร่องให้ไขกัมก็มีหันและนาสสร า, าอันว่าพระยาวีเตหาราชกับดังนาเตวีหันสายสลีลูกแก้วปิกปอกแล้วขึ้นหลัง นำตาปังหลังย่อยกอดลูกน้อยกับตนรำเรมรนลายลากึ้แล้วหักเหมือนฟันจุมกำนั้นก่อมใจมาแวดไกล่ลวงลายตั้งปีใจหาดเทาวคือปีเบาพี่มะเสนากรีบมาบอเจา้าพอน้องลาบุญมี เจ้าปุรีป่อเต้าก็ทำข่าวนานาแล้วก็จะทำต่อว่าเจ้านอใจร่ำรูปพิงงามองอาจเป็นเจ้าจัดเจ้าใดนางก็ใครบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปายด้วยปริญายหลายแหล่บ่เวนแว่บทได เอ่อจอมไต่พอเจ้านั่ง น, น่อนเฒ่ามันด้พี่มะเสนาพี่เบาหูหข่าวตามมีก็มีหันและนะเมื่อนั้นผาญยาวิเตหาราชญาสะอาดหรือไกหันใส่ใจลูกปลาใดอวัยนาขึ้นมา สมานาจจมจื่นปีติตื่นยินดีอาจยาวิปงขาดเฮอามาตตางตาตีสัญญาป่าร้องไปไข่ห้องเวียงใจ วะสีดองไว้ลูกเต้างามอาข้าวนวนคำอันยักดงดำอยากจะมากุมกว่าปานีบัดนี้ใสซ า, สาลีหล่อเบาใดปอกเตาขึ้นมา <c oughs> พระพิตาตนป่อมีใจหมอใจบ้านจริงมีองค์การบอกเก่าวหือหูเขา่ามงก้นว่าฮือรีปนไผ่้า ตั้งโมคาคนไในฟักตุงใจจอน้อยตั้งกวยอ้อยยายตั้งให้นำวางตั้งไว้ที่จิ้มไก่ตั้งเตีวแล้วรีบเรียวหลังลูไปซุ่มอยู่ลานหลวงเล่นปันพวงจูอย่างตามไปอ้างไปมัน <c oughs> เสียงของนั้นทั่วดาวคนหูข่าวสัญญาต่างสมนัติจาจืนจ้อยหายต่ำก้อยมองผ่านลานยังการขว่างไวรีบสาใสไปปันเสียงเดืองนั้นสาเาร้าเต็มควงเต้าบุญเรื่องกันเจ้าเมืองไผ่ไตตังน้อยใหญ่ยิ่งใจมีหลวงลายยยา่ ทั้งอามาตเจนาเอากันมาพร้อมแล้วเต้าต้นแก้วผู้บ้านก็มีองค์การบอกลก่าวหู้ข่าวขี้าะว่าจักอุตสาหิเศกอติเรกทุนขันแห่งศีสุพันลูกลาอันไหวนาขึ้นมา อารกาบ่อใดฮือไผ่ไตยิงใจเสนาหลายมวนเล่นอย่าได้เว้นคนได้เล่นตามใจไฟอ้างตามอันจงังไฟบันเพื่อทุนควันหลกเต้าฮือเตียงเต้าตี่าจุมเสนาอาหมดพระจารดคนในฟังเต้าไขบอกกก่า ทางจืดยาวเจยบ้านสาทุกการโหร้องสนั่นกองปาราแล้วเร่งดาแต่งหางเล่นตามจ้างใจหุมพองก่อสุ้มปาดกองพ่องกองกะลงทําขับลำนำที่ถอยพองก่อจอยซ่ ย, ซยาวจุ่มบาปสาวจืนสู้ เยี่ยะหมยจูดูเปิงพ่องตีมองซึ่งราหน้าตั้งเปียบาทซึ่งแน่พ่องอเอแทถาล่อปูนดีพอดีฟังพ่องตาปังย่อนเลา่าเตี้ยงงมเงาตาเพียพ่องกอเปียเอาดาบเต็นพระภาเป็นสายวาดจึงไล่อวดนางพ่องก่อนย่างสามขุม พ่องกอหุมตั้งเล่นวิทย์วิ่งเต้นหกคาดงพ่องเอาถงอันใหญ่เอาควายใส่ไปใน <c oughs> แล้วหลากไปต่อหน้าว่าตัวขามีแห้งพ่องกอแย้งสาวน้อยทาริกาวถอยปาลาว่าภริญาแห่งขา้า ปานดังยาผีพายปูนดีอายเปื่นป้องแม่นได้น้องสาวจีเตียงจักหนียาเท่ามาอยู่เฝ้าเอาใจ <c oughs> จูว่วันไปจะใจบอกหือใดเืีองกาคนนำนามวนหมูมว น, มว น, มวนเล่นอยู่คืนวันเสียงเนื้องนั้นอดเอา้าท้าราบต่อเต้าเจ็ดวันก็มีวันนั้น แลนะนี่ที่ตังคียาสังวันานาวีเศษจาห้องเหตุนางลวนคำผูกสิบเอ็ดกอบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแลลว